ห้าอย่างเนี่ยทุกคนมีเท่าเทียมกันหมดบางคนก็ได้ประสบแล้วบางคนก็าลังประสบอยู่ทั้งผู้ผู้ทั้งผู้ฟังเหมือนกันหมดเลยอันนี้เป็นสัจธรรมของชีวิตในผู้เรื่องจริงเป็นสัจธรรมของชีวิตที่มีอยู่ในคนทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเราเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ในตัวเราทั้งนั้นในกายในใจเรากายกับใจเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกทุกทุกคนเสมอกันหมด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 ถึงเรื่องชีวิตเรื่องกายเรื่องใจเมื่อไหร่ล้วก็เราจะรู้จักยอมรับถ้าเราทำความเข้าใจแล้วก็ยอมรับแล้วก็คิดแก้ไขแค่เรายอมรับแค่นี้ยใจก็จะผ่อนคลายแล้วนะที่เราเป็นทุกๆวันเนี่ยเพราะเรายังไม่ยอมรับถ้ายอมรับแล้วใจจะผ่อนคลายความทุกข์ก็จะเจือจางลงไปแต่ยอมรับอย่างเดียวยังไม่เพียงพอเราต้องหาทางแก้ไขต้องหาทางแก้ไขด้วย เมื่อป่วยไข้เช่นะป่วยไข้นี่แหละซึ่งเราสามารถมองเห็นได้ชัดจากตัวเราสิ่งที่พูดวันเนี้ยขอให้เราดูที่ตัวเรามันมีในตัวเราทั้งนั้นทั้งความสุขทั้งความทุกข์เมื่อเราป่วยไขย้เราก็ต้องทําหน้าที่รักษาต้องแก้ไขไปตามอาการเป็นเรื่องธรรมดาความป่วยทั้งด้านร่างกายนั้นเราก็ยกให้กับคุณหมอให้ช่วยเหลือเราหมอยาต้องพึ่งหมอพึ่งยา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 เราต้องวางใจไว้เป็น ก, นกลางๆมันหายก็ดีมันไม่หายก็ไม่เป็นไรหายก็เอาไม่หายก็เ อ, า, อาไม่ถึงการรักษานะผลนะคือต้องยอมรับทั้งสองด้านแล้วใจจะไม่เป็นทุกข์หรอกหายก็ได้ไม่หายก็ไม่เป็นไรใจเราต้องทำอย่างเนี้ยต้องรักษาอย่างเนี้ยแล้วมันก็จะค่อยๆผ่อนคลายแต่ถ้าเราหวังว่าเออมันต้องหายสิ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 แต่แค่รู้จำรู้จักรู้จักที่คนอื่นบอกว่าตัวเราเป็นอย่างไรใช่ไหมเรายังไม่เห็นแจ้งยังไม่เห็นจริงจะเห็นจริงได้นั้นจะต้องมีการฝึกตัวเราโดยการฝึกเจริญสติฝึกสติให้มาดูตัวเราดูกายดูใจของเราถ้ามีสติรู้จักตัวเราแล้วก็เนี่ยเป็นการปฏิบททนะัติธรรมแล้วอย่างตอนนี้ถ้าเรามีความรู้ตัวว่าเรากาลังนั่งอยู่รู้สึกตัวว่าเรากาลังนั่งรู้ไหม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 ทุกข์อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะถ้าอยู่กับการฟังเนี่ยทุกข์ไม่เกิดตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยอยู่กับปัจจุบันด้วยความรู้สึกตัวอยู่ที่การนั่งของเราเนี่ยอยูีการฟังใจมันจะเริ่มสบายเพราะเรามีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่ล้วก็มันจะมีสมาธิจิต จ, จะตั้งมั่นถ้ามีสมาธิเราก็มันทําให้จิตใจนี่ผ่อนคลายจิตใจจะผ่อนคลายมันไม่เครียดสุขภาพจิต ด, ดีตรงเนี้ยต้องมีสติ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 ไหนร่างกายใครเป็นสุขบสุขทุกเนี่ยกายบอกไม่ได้แต่จิตผู้รู้เนี่ยเขาบอกได้กายคือเครื่องอาศัยเห็นไหมแยกจิตผู้รู้ส่วนหนึง่งกายที่ปวดที่เมื่อยที่ทุกข์ส่วนหนึ่งคนละอันกันดูดีๆนะของสองอย่างนี้มันแยกกันอยู่แล้วแต่เราไม่เข้าใจเพราะเราขาดสติเรารวมเป็นหนึ่งเดียวกันเลยพอกายหิวใจก็โมโ oh, หกายเมื่อยใจก็เป็นทุกข์ เวลามีความป่วยไข่ทางร่างกายเนี่ยใจก็เป็นทุกข์เวลากายแก่ใจก็แก่เวลากายตายใจก็ตายไปด้วยเนี่ยรวมไปหนึ่งเดียวนยแต่ถ้ามีสติเนี่ยมันจะแยกแยกกันทาเมื่อยแล้วทำอย่างไรมีโรคภัยไขเจ็บอย่างไงก็แก้ไขทุกบางอย่างเนี่ยเราต้องแก้ไขรู้แล้วต้องแก้ไขบางอย่างแก้ไขไม่ได้ก็มีนะอย่างความแก่นี่แก้ไขได้ไหมพยายามแก้ไขนี่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 พรจิตใจเป็นทุกข์แล้วถ้าอดทนเนี่ยใจเนี่ยจะมีคุณธรรมอดทนเข้มแข็งทุกทางกายก็จะไม่รุนแรงเพราะมีความอดทนแต่ถ้าอดครวนบนเพลิ่มพันทุกข์หนักขึ้นเพิ่มทุกข์เพิ่มโทษทุกทั้งกายทุกทั้งใจต้องรู้จักอดทนใครเคยอดทนบ้างอดทนนี่ดีนะเนี่ยสองคำเนี่ยสบายเลยสร้างความเคยชินสร้างนิสัยที่อดทนเอาไว้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 เรื่องเที่ยวที่นู้นที่นี้นึนนกส่งจิตออกไปในความคิดของเราบางทีนึกถึงเสียงเพลงที่เราชอบเพลงที่เราชอบรอบ้องชอบฟังแต่ต้องไปเพลงดีๆนะอย่าไป น, นึกเพลงทําไมถึงต้องเป็นเราบางังคัทุกไปจนตายนะลองนึกดีๆโอ้ไม่เป็นไรบอกเลยว่าไม่เป็นไรเป็นก็เป็นเหม็นจะเป็นไรเนะี่ยบางทีก็อย่างนี้ต้องลาออกโอ้ยสะใจไปเลยจิตมันก็ออกได้ชั่วขณะหนึ่ง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 เวลามันทุบมากๆกับสวดมนต์เล ย, เนยนึกคำสวดมนต์อิติปิโสปะกาวา阿拉หั่งสัมมาส ม, มุทโทวิชาจรณสัมปันโนสวดมนต์ไปนะสวดแบบนกแก้วนกคุณทองมันก็พากิตออกจากอารมณ์ได้ชั่วขณะหนึง่งต่อมาเริ่มเข้าใจเรื่องกรรมฐานก็บริกรรมพุทธโธหายใจออกพุทหายใจเข้าโธพุทธโธเรื่อย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 แต่จิตใจเนี่ยสามารถจะมีความสุขได้นะเขาสามารถจะมีความสุขได้ทางด้านจิตใจและเขาก็ไม่ได้ป่วยเฉพาะร่างกายหรอกบางทีใจเนี่ยก็ป่วยมากลักษณะของผู้ป่วยเนี่ยจิตใจเนี่ยจะสังเกต ด, ดูดีว่าจะมีอาการอะไรน้อยเนื้อต่าใจเศร้าหมองหงุดหงิดเจ้าอารมณ์ขี่โมโหแล้วก็บางทีชอบร้องไห้อบไปร้องไห้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 เราก็ขำมันนะต่หนีเที่ยวใช่ไหมวะดี๊อย่าเพิ่งยิ่งเพิ่งแกก็จับขามาวางกับที่พอดีขาคนที่พิการเนี่ยมันจะสั่นพอจับปั๊บมันสั่นกูวอบบอดี๊ดอย่าเพิ่งยิ่งเพิ่งเดี๋ยวไปหารองเท้ามาให้ใส่ก่อนอย่าเพิ่งรีบไปเราเดินไม่ได้เนี่ยขามันสั่นนะบอกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวจะไปหารองเท้ามาก่อนมาให้ใส่นท่านพูดขำๆต่อตลกเราก็พลอยที่จะสนุกสนานไปด้วย ต่อมาแล้วบอกว่าไม่เป็นไรแม่อรารองเท้ามานะเดี๋ยวเอากางเกงมาด้วยเสื้อด้วยสตางค์อีกจะได้ไปเที่ยวพร้อยสนทนาไปเลยเป็นบรรยากาศจากความเครียดเป็นความสุขพอเริ่มเข้าใจปฏิบัติทำแล้วเข้าใจตัวเรามากายิ่งขึ้นและเข้าใจคนอื่นกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันดีอย่างเงี้ยเรียนรู้ความทุกข์และเข้าใจนะใจมันก็มีความสุขเพราะารู้ทันไปแล้วเห็นไหมอันเนี้เป็นส่วนที่ดีนะ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 ปิดประตูใบภูมิเลยถ้าประกันชีวิตด้วยธรรมะเนี่ยเงื่อนไขก็คือให้ทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยสามอย่างเนี่ ย, ย, ย, ย, ยไม่ต้องส่งเบี้ยรประกันทานศีลภาวนาเนี่ยประกันข้ามภพข้ามชาติเลยประกันชีวิตในโลกนี้นี่บริษัทไดก็ตามประกันแค่เราตายไปแล้วแล้วก็ไม่ได้บอกว่าประกันแล้วจะมีความสุขด้วยแต่ประกันชีวิตด้วยธรรมะเนี่ย อยู่ก็มีความสุขตายก็มีความหวังแล้วก็พ้นทุกข์ได้ในที่สุดเลยทำประกันชีวิตกับบริษัทพุทธบริษัทมาชวนพวกเราทาดูแม้เราจะมีความแก่ความเจ็บความตายความปัป้ดรากเป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วมพ้นได้ก็ไม่เป็นไรนะอย่าไปเสียใจอย่าไปเศร้าใจเรายังมีความหวังอยู่ภูริเจ้าตัดไว้ว่าถ้าใครครบบหาพระพุทธองค์เป็นกัลยาณมิตร คนที่มีความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากเป็นไปนตามกรรมเป็นธรรมดาหรือเป็นทุกข์เป็นธรรมดาเนี่ยสามารถพ้นจากอาการเหล่านี้ได้ถ้าคบกับท่านเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็นำธรรมะมาปฏิบัติเรายังมีทางออกอยู่เพราะนั้นทางออกให้เลือกเนี่ยเรายังสามารถเลือกได้ก็ลองปฏิบัติรมดูลองปฏิบัติรมเจริญสตินี่แหละให้ทานมามากแล้วเราลองเจริญสติดูบ้างสิ